นเทดผู้กล้าหารเนิ่นนานมาแล้วในป่าลึกซึ่งเป็นที่อยู่ของแม่หมดเท่าเธอเหนื่อยล้ากับการเดินทางไปทั่วโลกเพื่อตามหาโจรที่ขโมยสมบัติของเธอข้ารอเวลานี้มานานแล้ว วันที่จะได้สมบัติของเจ้าตอนนี้เจ้าทั้งแก่และอ่อนแอไหนที่สุน ข, ข้าก็ได้มันมาถ้าเจ้าอยากได้สมบัติของเจ้าคืนมาเอามันไปเซ่ที่เนือของไม้น้าสายใหญ่คนชั่วเจ้าไม่รู้พลังของข้าหรอกข้าจะตามหาเจ้าสู้กับเจ้าและนำสมบัติของข้ากลับคืนมาให้ได้ ตอนนี้เธอรู้แล้วว่าคนร้ายอยู่ที่ไหนเธอจึงมาดักซุ่มไกลๆ ก, กับแม่น้ำสายใหญ่ถึงแม้จะมีเวทมนต์แต่แม่มดแกชรามากเธอจึงไม่มีพลังพอที่จะไปสู้กับปีศาจเธอต้องการความช่วยเหลือด้านนอกของป่ามีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งแม่มดจึงวางแผนเพื่อขอความช่วยเหลือ รีบมาเร็วๆหน่อยซิเจ้าชึมเอ้ยถึงเราจะพยายามแค่ไหนก็ตามเราก็จับนายไม่ทันอยู่ดีมาสิมานนี่มาหาข้าเจ้าหนูเจ้ามีงานต้องทับ ในขณะที่กําลังพยายามกระโดดไปที่ลูกแกว้ว <c oughs> เดฟได้ตกลงไปในภูเขาและตื่นขึ้นมาในกระท่อมของแม่มดอ๋อเอถ้าเป็นใครนะ่ะถ้าเป็นแม่มดนี่ใช่ข้าคือแม่มดข้าดูน่าเกลียดน่ากลัวสำหรับเจ้าไหมเพียงแค่ข้าแตกต่างงั้นหรือ ข้ารู้ไม่มีมนุษย์คนไหนอยากช่วยสิ่งหน้าเกลียดอย่างข้าข้าจึงต้องหลอกล่อให้เจ้ามาที่นี่แต่ช่างเถอะข้ามีเวทมนตร์ข้าจัดการได้นะข้าขอโทษข้าไม่ได้ตั้งใจทําร้ายท่านเลยอ๋อมนุษย์ทุกคนล้วนเป็นเช่นนั้นเจ้าคิดว่าแม่หมดทั้งหมดชั่วร้ายเรากับไม่มีมนุษย์คนไหนชั่วร้ายเลยใช่ไหมออกไปนะข้าขอโทษได้โปรดบอกมาเถอะว่าท่านต้องการให้ข้าช่วยสิ่งใด เออเจ้าแน่ใจนะใช่แต่ข้าขออย่างเดียวพ่อแม่ของข้านะ่ะจะต้องกังวลแน่ท่านช่วยใช้เวทมนต์ทําให้พวกเขาไม่กังวลเกี่ยวกับข้าได้ไหมแล้วข้าจะช่วยทุกอย่างที่ท่านขอเอาดีมากถ้าอย่างนั้นข้าจะใช้เวทมนต์ทำให้ทุกอย่างในหมู่บ้านของเจ้าหย่นลงจนกว่าเจ้าจะสําเร็จงานที่ข้ามอบให้ขอบคุณ คงจะหิวเอานีบไปนะอืมอร่อยมากเลยอ่ะมันคืออะไรอ่ะอาหารพิเศษของแม่มดข้ามีอีกเพียบกินได้ตามที่เจ้าต้องการเลยเดฟกินจนเขาอิ่มหนำและจากนั้นแม่มดก็บอกภารกิจที่เขาต้องทำ เจ้าคนชั่วร้ายที่อยู่เหนือแม่น้ำใหญ่ได้ขโมยสมบัติของข้าไปข้าแก่เกินไปที่จะสู้กับเขาข้าอยากให้เจ้านําสมบัติกลับมาให้กับข้าหน่อยแต่ข้าไม่ได้มีเวทมนต์หรือว่าแข็งแกร่งอะไรเลยข้าแค่เด็กผู้ชายข้าจะขอให้วิญญาณที่ดีมอบกําลังและความฉลาดแ ด, ด่เจ้าแต่เจ้าต้องทําให้พวกเขาพอใจก่อน แล้วข้าจะทำพวกเขาพอใจได้ยังไงท่านป้าแม่มดเจ้าต้องอดอาหารจนกว่าวิญญาณที่ดีจะเข้ามาและมาอพรอแด่เจ้านอนลงข้างๆกองไฟจะได้ไม่หนาวข้าจะขอให้พวกสัตว์ไปอยู่กับเจ้าในตอนที่เจ้ากำลังอดอาหารอยู่ได้ครับท่านป้าข้าจะช่วยท่านดังนั้นเดฟจึงนอนลงข้างๆกองไฟและพวกสัตว์ในป่าก็มาอยู่เป็นเพื่อนเขา โดยวิธีนี้เป็นเวลา20กว่าวันวันหนึ่งขณะที่เดฟกำลังหลับอยู่เขาได้ยินเสียงพึงพมพำคล้ายกับวิญญาณอยู่ ร, บรอบๆเขาวันรุ่งขึ้นแม่มดมาหาเขาพร้อมกับอาหารเจ้าอดอาหารมากกว่า20วันแข็งแรงมากเด็กน้อย เจ้าคงหิวสินนะอะท่านนี่เข้าไปขอบคุณวิญญาณที่ดีได้มาหาเจ้าและมอบพรแก่เจ้าหรือไม่โอไม่วิญญาณบางตนเข้ามาแต่บางตนหนีไปพวกเขาบอกว่าข้ายังอดอาหารไม่นานพอถ้าอย่างนั้นเจ้าต้องอดอาหารต่ออีกเจ้าจะทำไม้นมน้อย ข้าสัญญาว่าจะช่วยท่านแล้วแน่นอนข้าจะทำและเด็กหนุ่มได้นอนข้างๆกองไฟอีกครั้งสตัตว์ต่างๆในป่าเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนเขาเป็นเวลากว่าสิบวันและเคินหนึ่งวิญญาณที่ดีได้กลับมาในตอนเชา้าแม่มดนำอาหารมาให้เขา ถ้าถามเขาอีกครั้งวิญญาณที่ดีทั้งหมดมาหาเจ้าแล้วมาพอแดดเจ้าหรืออย่างไม่อะวิญญาณบางตนเข้ามาแต่บางตัวก็หนีไปอะพวกเขาบอกข้ายังอดอาหารไม่นานพออืมอย่างนั้นเจ้าคงต้องอดอาหารต่ออีกเจ้าจะทำไหมหนุ่มน้อยข้าสัญญาว่าจะช่วยท่านแล้วแน่นอนข้าจะทำ แต่ครั้งนี้เมื่อเขานอนลงวิญญาณได้กลับมาพวกเราเห็นความรับผิดชอบของเจ้าพวกเราจะมอบพรทั้งหมดของเราแ ด, ด่เจ้าตอนนี้เจ้าจะแข็งแกร่งขึ้นฉลาดขึ้นและสามารถขยายร่างใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงก็ได้ตามเจ้าต้องการเดบและแม่มดดีใจมากพวกเขาขอบคุณวิญญาณที่ดีและตอนนี้ ก็ถึงเวลาที่เดฟจะนำสมบัติของแม่มดจากคนชั่วได้แล้วเจ้าคนชั่วเอาทองทั้งหมดของข้าไปและอยากเอาสะพานวิเศษไปด้วยสภานที่ข้าใช้พลังเวทหมดทั้งหมดสร้างขึ้นมาสะพานที่สามารถใช้ข้าแม่น้ำใหญ่ได้พอที่จะพาข้ามาหาสมุรได้เลยละ่ะ สะพานที่สามารถพาขึ้นไปบนท้องฟ้าหรือสามารถพาเจ้าลงไปอย่างพื้นโลกเจ้าต้องนำสะพานนั้นกลับมาให้กับข้านะท่านวิญญาณมออพลังและปัญญาแดกข้าข้ามั่นใจว่าจะพามันกลับมาได้ใส่ของพวกนี้เอาไว้และห้ามกลวธถ้าเจ้าเชื่อในพวกมันมันจะพาเจ้าเดินไปบนแม่น้ำใหญ่และเจ้าจะข้ามันได้ข้าจะทาตามที่ท่านบอก เช่นนั้นเดฟจึงออกจากบ้านของแม่มดและมุ่งหน้าสู่แม่น้ําใหญ่สายน้ําเที่ยวไหลแรงและน่ากลัวมากเดฟ ก, กลัวที่จะก้าวเข้าไปแต่เขาได้ให้สัญญากับแม่มดแล้วเขาหันหลังกลับไปไม่ได้ดังนั้นเขาจึงทำใจหนักแน่น ก้าวลงไปนีแม่น้ำอีกครั้งเดฟข้ามแม่น้ำและมาถึงยังบ้านของคนชั่วเขาแอบมองผ่านหน้าต่างเห็นห้องที่เต็มไปด้วยถุงทองคำ และสะพานก็ตั้งอยู่ที่มุมห้องที่หน้าต่างของห้องครัวเขาเห็นพ่อครัวกําลังทำอาหารเตรียมไว้ให้กับคนชั่วเดฟจึงคิดแผนออกเขากลายร่างเป็นตัวเล็กปีนเข้าไปยังห้องครัวผ่านหน้าต่างและซ่อนตัวอยู่หลังขวดซอสพริก โอ้โอไายท่านมาแล้ว ด้วยเหตุนี้เดวพุก้าหานจึงยกบ้านของคนชั่วทั้งหลังพร้อมกับทองคำและสะพานของแม่มดกลับมายังบ้านของแม่มด ข้าไม่เพียงแต่นำสมบัติของทัดกลับมาแต่ข้ายังนำคนชั่วกลับมาให้ท่านลงโทษ ด, ด้วยเพื่อที่เขาจะได้ไม่ไปขโมยของใครอีกมีวิธีเดียวที่ต้องทำตอนนี้เขาก็ไม่สามารถไปทำร้ายคนแก่และคนที่อ่อนแอได้อีกต่อไปแล้วล่ะ นี่แหละจุดจบของคนชั่วแต่แม่มดขอบคุณเดฟอย่างสุดซึ้งขอบใจเจ้าบ้าเจ้าช่วยให้ข้าไปยังโลกของข้าได้แล้วเดฟผู้กล้าหาญเจ้าช่วยข้ามากบอกข้ามาเถิดว่ามีอะไรที่ข้าจะทำให้เจ้าได้ขออะไรกับข้าก็ได้นะท่านป้าแค่ให้ข้าได้กลับไปยังบ้านของข้าที่ข้ามาข้าไม่ต้องการพลัง แล้วเวทมนต์วิเศษใดๆเพราะเราเป็นมนุษย์และไม่รู้ว่าจะเริ่มทำร้ายคนอื่นเมื่อไหร่ถ้ามีมันเราเวียญยาได้เหมาะสมให้เจ้าฉลาดอย่างแท้จริงนะเดฟเอาละข้าจะส่งเจ้ากลับไปจากที่ที่เจ้ามาแต่เพราะเจ้าได้พลังมาพวกเขาจะกลับไปหาเจ้าในวันที่เจ้าต้องการความช่วยเหลือผู้อื่นอย่างแท้จริงพวกเราภูมิใจในตัวเจ้ามากเดฟผู้กล้าหาญ ดังนั้นเดฟจึงกลับไปยังหมู่บ้านของเขาและแม่มดก็กลับไปยังที่ของเธอข้ามดวงดาวไปพร้อมกับสมบัติและสะพานอันมีค่าของเธอจบบริบูรณ์